และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ บ, บรุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 วิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรี FM 89.5 เมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ c u l t r Travel ค่ะพบกับดิชวาวิพีพาวีรวงนะคะและก็คุณออกัสิพัฒนพงศ์วัฒนกัญยากุลค่ะ Culture Travel ช่วงรู้ก่อนเที่ยวสนับสนุนโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถานศึกษาชั้นนําด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่งระดับประเทศก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับสากล และสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์แรกของเดือนนี้ค่ะ การของเราก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปประเทศเบลเยียมกันค่ะนะคะบอกแล้วว่ายังไงนะคะใครไม่เยี่ยมแต่เบลเยียมค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักกับประเทศเบลเยียมกันก่อนเลยคะ่ะประเทศเบลเยียมนั้นนะคะมีชื่อทางการว่าราชอาณาจักรเบลเยียมนั่นเองนะคะหรือว่า kingdom of belgium นั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือนะคะที่นี่ก็มีอนาเขตติด ต, ต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์เยอรมนีลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสและ ะทะเลเหนือเบลเยียมนั่นเองค่ะซึ่งประเทศนี้นะคะเป็นสมาชิกรุ่นก่อนก่ อ, ก อ, กอตั้งของสหภาพยุโรปค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่เช่นเดียวกับอีกหลายนะคะองค์กรระหว่างประเทศนั่นเองค่ะก็ที่นี่นะคะก็มีสนธิสัญญาป้องกนันแอตแลนติกค่ะค่ะและประเทศนี้นะคะยังคล้ายกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง เบลเยียมนั้นนะคะมีความหลากหลายทางภาษาค่อนข้างสูงค่ะก็เลยส่งผลกระทบต่อการปกครองที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเลยนะคะทังทำให้เบลเยียมนั้นแบ่งออกเป็น2ภูมิภาคใหญ่ๆนั่นเองค่ะก็คืออ่าฟรันเดอร์นะคะซึ่งประชากรส่วนใหญ่นั้นก็จะพูดภาษาดัตกันค่ะและวอลโลเนียนะคะซึ่งประชากรส่วนใหญ่นั้นก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ แล้วเมืองหลวงที่นี่นะคะก็คือเมืองบรัสเซลนั่นเองนะคะก็เป็นเมืองหลวงของเบลเยียมค่ะก็มีเขตทวิภาษาตั้งอยู่ในฟรันเดอร์นะคะนอกจากนี้ค่ะที่นี่ก็ยังมีชุมชนที่พู้ภาษาเยอรมันนะคะในทางตะวันออกของวัลเลเนียด้วยค่ะ และเบลเยียมนั้นนะคะก็นะคะมีการกล่าวขวัญและเรื่องลือ ก, กันว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของผู้หลงไหลชอล็อกโกแลตค่ะไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะคะก็จะพบกับร้านขายชอ็อกโกแลตมากมายเต็มไปหมดเลยแหละคะ่ะและนอกจากนี้นะคะที่นี่ค่ะยังดังเรื่องนี้ด้วยค่ะเบียนะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งและคะ่ะที่นักท่องเที่ยวนึกถึงเมื่อมาเที่ยวประเทศบเบลเยียมกันค่ะก็เขาบอกเลยนะคะว่าที่นี่มีเบียเลือกรสให้เลือกมากกว่านะคะ400ชนิดโอ้โ ห, ใ, หใครสายเบียรต้องไปนะคะถ้ามาถึงเบลเยียมแล้ว ไม่ได้ลองเขาบอกว่าพลาดสุดๆเลยนะคะคุณผู้ฟัง และทางด้านการปันเมืองการปกครองนะคะประเทศเบลเยียมนั้นก็ปกครองแบบสหพันธรัฐนะคะก็ประกอบไปด้วยกลุ่มคนพูดภาษาหลายๆภาษานะคะแล้วก็เป็นทางด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจาาที่นี่ก็จะมีกรุมบัซเซลนั้นนะคะเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าด้วยละค่ะและที่นี่ก็เป็นที่ตั้งขององค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสํานักงานใหญ่และหน่วยงานกรรมาที่การสหภาพยุโรปนั้นเองค่ะก <c oughs> ็ที่นี่รัฐธรรมนูญนั้นนะคะก็มีการแบ่งแยกอํานาจการปกคร อ, องของเบลเยียมนั้นออก เป็นสฝ่ายนะคะคุณผู้ฟังได้แก่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการนั่นเองค่ะภาษาที่นี่ก็ใช้หลายภาษาเลยนะคะภาษาฝรั่งเศสภาษาเฟมิชนะคะาาหรือว่าภาษาดัตนะคะแล้วก็ภาษาเยอรม น, นีค่ะศาสนาเลคะที่นี่ก็ร้อยละเจ็ของประเทศ น, นะคะเป็นโรมันคาทอลิก ค, ค่ะและร้อยละของป ร, นน ป, ประเทศนั้นก็เป็นโปรเตสแตนต์นั่นเองค่ะส่วนสกุลเงินนะคะก็เป็นยูโรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง ต่อไปค่ะเราไปรู้จักกับสถาปัตยกรรมของประเทศเบลยเยียมนะคะเขาบอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กับเมืองอื่นเลยแหละคะ่ะและก็มีหลายที่ด้วยนะคะที่เป็นมรดกโลกเลยแหละคะ่ะเพราะที่นี่นั้นมีสถาปัตยกรรมสวยงามค่ะจนได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกมากมายนะคะคุณผู้ฟังทราบะคะว่ามีที่ไหนบ้างถ้ายังไม่รู้นะคะต้องฟังรายการของเราในช่วงรู้ก่อนเที่ยวค่ะคุณผู้ฟัง ที่แรกนะคะเขาบอกว่าใครไปต้องเยี่ยมเนี่ยต้องมาที่นี่เลยค่ะมาเที่ยวทะเลสาบมินิวอร์นะคะทะเลสาบมินิวอร์นะคะก็มีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่าทะเลสาบแห่งความรักนั่นเองค่ะโอ้โหนะคะเลกออฟเลิรมนะคะเป็นสถานที่ที่สุดโรแมนติกเลยค่ะคุณผู้ฟังที่นี่ก็เหมาะสําหรับการพักผ่อนนะคะท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าไปกับคนที่คุณรักนั่นเองค่ะที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใจกลางเมืองบรูตนะคะแต่ที่นี่นะคะอ่าดูเหมือนจะวุ่นวายแต่จริงๆแล้วเงียบสงบและก็ร่มรื่นมากค่ะภายในนั้น เราจะพบกับบ้านเรือนริมน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับหอคอยเรียงรายมากมายเลยนะคะที่นี่ก็มีจุดเด่นก็คือมีต้นวิลโลนะะี่ค่ะที่ปลิ้วไหวไปมายามสายลมพัดผ่านค่ะก็ไปที่นี่ก็ทําให้นึกถึงความงดงามนะคะความน่าทึ่งดึงดูดค่ะเขาบอกว่าผู้คนเนี่ยจะมาเที่ยวที่นี่กันมากมายเลยนะคะจนมีเรื่องเล่ากันว่าทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากเรื่องราวของเด็กสาวสวยที่ชื่อนะคะมินนานั่นเองค่ะซึ่งเธอนั้นได้พบรักกับรกรบหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะชื่อสตร์เบิร์กนะคะโดยพ่อของเธอนั้นไม่เห็นด้วย วความรักในครั้งนี้ค่ะทํายังไง ร, รู้ไหมคะจึงจัดให้แต่งงานคุณพ่อเนี่ยของเธอเนี่ยก็คือให้แต่งงานกับชายที่ได้เลือกไว้นะคะทําให้มินานเนี่ยเลือกที่จะหนีงานแต่งในครั้งนี้ค่ะ ทำให้เธอนั้นได้วิ่งหายเข้าไปในป่าลึกนะคะและชายหนุ่มซอมเบิร์กเนี่ยก็ได้ออกตามหาหญิงสาวค่ะแต่ก็สายไปเสียแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะภาพที่ชายหนุ่มเห็นเธอก็คือคนรักของเขานั้นอ น, นอนหมดแรงอยู่กลางป่าและเสียชีวิตในเวลาถัดมาในอ้อมแขนของเขาเองนั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยนะคะชื่อของเธอนั้นก็เลยถูกตั้งเป็นทะเลสาบและเป็นสะพานนะคะเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของเธอนะคะทําให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งความรักสุดโรแมนติก อีกสถานที่หนึงในประเทศเบลเยียมเลยค่ะและถ้าใครมาที่นี่นะคะก็จะพบกับหงค่ะซึ่งจะมาพบได้มากมายที่ทะเลสาบมินิวอเดอร์เลยนะคะในช่วงหน้าร้อนก็จะมีหงนะคะสถานที่แห่งนี้ก็มักจะถูกใช้ในการจัดคอนเสิร์ตเป็นประจำเลยค่ะและในส่วนหน้าหนาวนะคะทะเลสาบมินิวอเตอร์เนี่ยก็จะกลายเป็นน้ําแข็งและต้นไม้บริเวณนั้นนะคะก็ะจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งนะคะถ้าใครที่เห็นเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นภาพที่ตรึงตาลดงานอยู่ในความทรงจําของผู้ที่ไปเที่ยวที่นั่นอย่างแน่นอนค่ะ เปียนบรรยากาศไปเที่ยวมงกันบ้างนะคะเที่ยวมงค่ะได้ยินคำว่ามงนั้นนะคะมงนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเมืองหลวงเล็กๆของบนทนเอนโนในประเทศเบลเยีนยมนั่นเองค่ะก็มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณแค่ 95,000 ันคนเท่านั้นนะคะก็ ตัเลขเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามงเนี่ยได้มีการวางแผนเพื่อโปรโมตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในประเทศแห่งอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเป็นเมืองแห่งศิ ล, ละปะและวัฒนธรรมค่ะจะทําให้ปีนี้นะคะอาจจะทําให้ปีใด้มงเนี่ยได้รับเลือกเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปค่ะโอ้ที่นี่ต้องสวยงามมากๆแน่เลยนะคะและส่วนสถานที่ฮิตนะคะที่มาเที่ยวมงก็คือนะคะเบลฟายออฟมงนั่นเองค่ะเป็นหอระฆังทรงสี่เหลี่ยมนะคะโดยผนังนั้นถูกสร้างด้วยอิฐจำนวนถึง4 5 0 0 0 0ห้าน 9,000 ก้อนนะคะโดยภายในนะคะก็มีบันไดวนเชื่อมต่อแต่ละชั้นค่ะหอะระฆังแห่งนี้นะคะมีความสูงถึง87เมตรค่ะข้างในนั้นก็มีระฆังแขวนเรียงรายถึง49ใบนะคะโดยที่นี่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมนะคะสไตล์โบโรกที่ยังเหลืออยู่ค่ะแห่งเดียวในประเทศแห่งนี้อ๋อในเมืองแห่งนี้นะคะขอโทษคุ่ณผู้ฟังจนได้รับการยกย่องเป็นมรดกทางวัฒ น, นธรรมนะคะโดยยูเนสโกนั่นเองค่ะก่ที่นี่ก็จะเปิดให้เข้าชมนะคะทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเราได้ขึ้นไปบนสุดของหอะระฆัง ะะก็จะทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองงงได้ทั้งหมดเลยนะคะ ไหเที่ยวมงกันแล้วคุณผู้ฟังขาดก็ไปเที่ยวไปทัวร์กันที่เนมั้งค่ะอ่าที่นี่นะคะก็มีชื่อสั้นนะคะว่าเมืองทัวเนย น, นั่นเองนะคะในภาษาดัตส์นะคะเรียกว่าดูดูนิค้นเองค่ะก็เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเบล เ, ลเยียมเลยนะคะที่นี่ก็มีบทบาทสําคัญทางประวัติศาสตร์และนิยธอย่างมากมายเลยค่ะตั้งอยู่ในเขตว ล, ลูนนะคะอยู่ห่างจากกรุงมาเซอร์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ85กิโเมตรนะคะที่นี่ก็จะมีมหาวิหารนะคะโนโตรดามนั่นเองค่ะเป็นสถานที่สําคัญของเมือง ะะมีนท่องเที่ยวแวะมาอย่างมากมายไม่ขาดสายค่ะที่นี่ก็ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตรวรรษที่12นะคะตัวอาคารของที่นี่นะคะคุณผู้ฟังตรงกลางนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสคันและลายร้อมด้วยหอคอยขนาดใหญ่สไตล์โกธิกถึง5หลังเลยนะคะโดยภายในวิหารนั้นนะคะก็ะถูกตกแต่งด้วยกระจกสีแบบโมเสไว้อย่างสวยสดงดงามค่ะอย่างไม่หมดแค่นี้ค่ะที่นี่ก็ยังมีภาพวาดโบราณและก็จัด ก, กรรมฝาผนังนะคะที่มีอายุมากถึง7 ร้อปีเลยแหละค่ะ โ, โหซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะยังไม่หมดค่ะถ้าเราไปเบลเยียมนั้นนะคะเราก็จะพบเห็นว่ามีหอระฆังเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเจอกันแทบทุกเมืองเลยแหละค่ะและแน่นอนว่าไฮไลท์ของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่พ้นอะไรรู้ไหมคะเราบอกไปแล้วค่ะหอระฆังนั่นเองนะคะหรอหอระฆังแห่งทัวร์เนยนั่นเองค่ะก็เป็นหอระฆังสูงถึง72เมตรนะคะและเก่าแก่ที่สุดในประเทศเบลเยี่ยมด้วยค่ะ ก็ได้รับการยกยงนะคะเป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันจากยูเนสโกนะคะเมื่อเราขึ้นไปด้านบนสุดของหอระฆังนะคะก็ทำให้เรานั้นสามารถมองเห็นวิวของทัวเนทั้งหมดได้อย่างชัดเจนเลยนะคะจึงทำให้ที่นี่นั้นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งเลยและค่ะ ต่อไปค่ะไปเที่ยวบรูตกันบ้างค่ะเมืองบรูตเนี่ย น, นะคะเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่ฟานเดอร์นั่นเองค่ะที่นี่นั้นนะคะก็มีความสําคัญทั้งประวัติศาสตร์และศิลปะอย่างมากมายค่ะนอกจาที่นี่นะคะจะโดดเด่นเรื่องสถาปัตยกรรมไซกโคลติกแบบดั้งเดิมนั้นเนี่ยเมืองบรูตนั้นนะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงทางด้านการค้าคุณผู้ฟังและที่นี่นะคะก็มีวัฒนธรรมของยุโรปเข้ามามากมายค่ะถ้ามาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะได้พบกับความสวยงามของลําคลองมากมายซึ่งลําคลองพวกนี้นะคะก็ถูกใช้ในการ ขนสนข่งคมานาคมต่างๆค่ะจะทำให้เมืองบู้นั้นได้รับการขนานนามว่า The w e s of the North นั่นเองค่ะ และส่สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ฟังไปแล้วต้องไม่พลาดนะคะเมื่อไปเที่ยวตอนที่เมืองบูต ก, ก็คือ b e l ฟาย of h ฮ l ลเลนะคะก็เป็นหอะระฆังที่มีลักษณะดโดดเด่นค่ะซึ่งจะตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองบูตเลยนะคะถ้าเราไปเขาบอกเลยนะคะว่ามองเห็นได้ง่ายๆเลยแหละคะ่ะเพราะที่นี่นั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์โดยรอบเมืองได้ค่ะโดยภายในตัวอาคารนั้นนะคะก็มีการจัดนิทรรศการและประวัติความเป็นมาค่ะที่สําคัญนะคะมีร้านค้าเรียงรายให้เราได้ช็อปด้วยนะคะ ก็เราได้เกิดมาแรกๆ แ, แล้วนะคะว่าเมืองบูต์นั้นเป็นเมืองที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามมากมายนะคะก็แน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้นั้นนะคะก็จะขึ้นชื่อเรื่องของเป็นที่นี่อ่ะอ่ะก็จะมีในเรื่องของโบสถ์แล ะ, ะสไตล์โรมันและกรุงถนั่นเองค่ะเขาเล่ากันนะคะว่าโบสถ์แห่งนี้นะคะได้เก็บรักษาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและอัฐิของพระเยซูไว้นั่นเองค่ะเมื่อถ้าเราเข้าไปข้างในเนี่ยรับรองว่าจะต้องตะลึงกับความสวยงามของโบสถ์ตามผนังนะคะก็จะมีภาพวาดเรื่องราวของพระเย ูมากมายค่ะและที่สําคัญนะคะด้านในสุดนั้นก็จะมีอิดวางอยู่บนแท่นบูชาสีทองที่ประดับด้วยเพชรพลอยอย่างงดงามเลยแหละค่ะก็ใครไปที่นี่นะคะก็อย่าลืมอย่าต้องไม่พลาดที่นี่นะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ปีนึงหลายล้านคนเลยนะคะ ต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราก็ไปเที่ยวเกนกันมากนะคะเกนนั้นนะคะเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และสถาปัตยกรรมในยุคกลางในอย่างลงตัวเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโบสถ์อนุสาวรีนะคะและพิาพิธภัณฑ์นั้นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยก่อนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็จะมีว to ิวทิวทัศน์ริมแม่น้ํานะคะก็มีเป็นที่กล่าวขานกันว่าสวยงามเหมือนภาพวาดกันเลยเลยะคะ่ะ ก็ถ้ามาที่นี่นะคะก็จะเห็นหอระฆังอีกแล้วค่ะก็สูงตระห ง, งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเกตนนันเองนะคะโดยสืบถูกสร้างขึ้นเมื่อต้นปีศตรวรรษที่ส4ในสมัยก่อนนั้นก็มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการาศาสนานั่นเองนะคะที่นี่ก็จะเป็นหอสังเกตการด้วยนะคะแต่ต่อมาค่ะได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีบทบาทสําคัญต่อชาวเมืองมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการตีระฆังเพื่อประกาศเปิดตลาดนะคะเตือนว่ามีการโจมตีหรือว่าเพื่อบอกเวลานั่นเองนะคะซึ่งเรานั้นก็จะได้ยินเสียงระฆัง กว่า50ใบดังก้องพร้อมกันนะคะและเป็นที่น่าทึ่งมากค่ะสําหรับเมืองนี้นะคะอันนี้เป็นจุดน่าสนใจมากจริงๆค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้มากมายอีกที่ก็คือนะคะปราสาทนั่นเองค่ะปราสาทเกาเวนสีนนะคะก็เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในแฟรนเดอร์นั่นเองค่ะตัวปราสาทนั้นถูกล้อมด้วยกําแพงสูงนะคะและคูเมืองเพื่อป้องกันศัตรูในสมัยก่อนค่ะปราสาทแห่งนี้ น, นะคะเคยถูกใช้เป็นสํานักงานและศาล ที่สําคัญค่ะเป็นคุกมาก่อนด้วยนะคะในปัจจุบันนั้นได้มีการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยภายในนั้นจะมีการจัดแสดงอาวุธต่างๆที่เคยใช้ในสงครามนะคะและอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการทรมานนักโทษอยู่ในคุกนั่นเองค่ะก็ถ้าเราไปเที่ยวนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะเสื้อเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์และได้ชมสถา ป, ปัตยกรรมที่สวยงามด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวสําหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการของเรานั้นขอเล่าเรื่องของเบลเยียมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักสััักกคครู่่ไปพพ บ, บุณอนในวงาา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 สำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ฟังพี่โบรทได้พาทุกท่านนะครับเดินทางไปที่ประเทศเบลเยียมใช่ไหมละครับแนะนำนะครับในเรื่องของรู้ก่อนเที่ยวมันที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ตัวกตเองจะพาท่านผู้ฟังครับไปรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเบลเยียมกันบ้างซึ่งวันนี้เรามีวัฒนธรรมแบบใหม่ของเบลเยียมมานเสนอท่านผู้ฟังด้วยครับ สำหรับประเทศเบลเยียมนะครับตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือโดยมีกรุงบรัสเซลส์นะครับเป็นเมืองหลวงเบลเยียมนั้นนะครับเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 1,000 ปีเป็นประเทศลเล็กที่มีบรรยากาศสงบสวยงามเหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ด้วยนะครับตึกรามบ้านช่องต่างๆนะครับในที่นี้นะครับก็ยังมีทรัพยาก ร, รสำคัญอย่างมากมายเลยเช่นมหาวิหารหอระฆังซึ่งยังคงด้วยความงดงามวิจิตรแบบศิลปะโกลทิกอย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับกรุงบาเซีลจึงเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายของประเทศเบลเยียมครับและมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายอย่างจะตุรัสกรองปาสนะครับ ที่ภายในนะครับประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและศิลปะที่โดดเด่นบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลายของกรุงปาซีลครับ และด้วยความงดงามนะครับความสง่างามความเก่าแก่นี่เองทําให้ที่นี่นะครับได้รับเลือกนะครับให้เป็นมรดกโลกโดยองการยูเนสโกไปแล้วด้วยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับภายในจัตุรัสกลองปราสนะครับยังมีศาลาว่าการกรุงบรัสเซลนะครับที่เป็นอาคารสไตล์โกลทิกนะครับที่มียอดแหลมสูงด้วยบนยอดจะเป็นหอระฆังนะครับแล้วก็ซึ่งสามารถจะมองเห็นได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของเมืองบัสเซลแห่งนี้ครับ หรือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอะตเมิอมสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลมปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นแลนด์มาร์คของกรุงบราซลิลกับตันผูฟังโครงสร้างเป็นรูปทรงอะตอมขนาดยักษ์ถูกสร้างขึ้นเป็นหอแสดงในทรศการงานเอ็กโปในปีคิ ศ, ศ1958มีความสูงราว108เมตรประกอบด้วยลูกบอลเหล็ก9ลูกลูกบอลแต่ลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง14เมตรภายในมีทางเดินเป็นรางเลื่อนที่มีความทันสมัย มีจุดชมวิวห้องอาหารและห้องแสดงงานศิลปะอโตเมียมครับเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายในเชิงคุณค่าของการก้าวกระโดดสู่ยุคเทคโนโลยีใหม่หลังสงครามโลกของประเทศเบลเยียมครับ และล่าสุดนะครับเบลเยียมนะครับได้นําเสนอนะครับในการดื่มเบียร์นะครับและการผลิตเบียร์เป็นมโดโรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับเบลเยียมได้เสนอต่อองค์การยูเนสโกครับให้อุตสาหกรรมเบียร์และวัฒนธรรมการดื่มเบียร์ของประเทศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยเหตุผลเบื้องต้นที่ว่าวัฒนธรรมการทำเบียร์ช่วยส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันของประเทศที่มีภาษา ร, ราชการถึง3ภาษาด้วยกันอย่างที่พี่โบบอกไว้ข้างต้นครับ ถ้าหาพูดถึงนะครับเบียร์ยี่ห้อเบลลเอลฟิเนอร์และซัฟฟิสนะครับล้วนเป็นเบียร์จากเบลเยียมครับที่มีชื่อเสียงในทั่วโลกตอนนี้ทางการเบลเยียมนะครับได้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อขอขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมการผลิตและดื่มเบียร์แบบเบลเยียมให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยระบุว่าครับการผลิตเบียร์นะครับช่วยสร้างอัตลักษณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศที่มีภาษาราชการมากถึง3ภาษาด้วยกัน นี่นะครับภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาเยอรมันและก็ภาษาดัตช์นะครับอย่างพี่โบ๊ได้บอกไว้ครับสําหรับเบลเยียมแล้วนะครับท่านผู้ฟังมีผู้ ผ, ผลิตเบียร์นะครับเกือบ200รลายที่ผลิตเบียร์มากกว่า 1, นึ0งชนิดเบียร์ยังนับเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มประจําชาติของเบลเยียมซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เบียร์ราว30แห่งกลุ่มชุมชนผู้ใช้ภาษาเยอรมันแห่งเบลเยียมเป็นผู้ยื่นเสน อ, อยังองค์การยูเนสโกครับ โดยกล่าวว่าการผลิตเบียร์นะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวเบลเยียมด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและทําให้นะครับมีความเกี่ยวโยงทางสังคมมีความแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยครับคุณชองหลุยฟานเดอร์แฟรนายกสมาคมผู้ผลิตเบียร์เบลเยียมกล่าวว่าความพิเศษของวัฒนธรรมเบียร์เบลเยียมก็คือการผสมผสานกันระหว่างความหลากหลายนวัตกรรมการผลิตและธรรมเนียมการปฏิบัติแบบเดิม เบลเยียมมีเบียมากกว่า 3,000 แบรนด์ผู้ผลิตกว่า200ลายยังไม่นับรวมถึงผับพิพิธภัณฑ์และเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับเบียอีกด้วยครับท่านผู้ฟังสมาคมผู้ผลิตเบียเบลเยียมซึ่งก่อตั้งนะครับขึ้นในศตวรรษที่14เป็นหนึ่งะครับในสมาคมที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกและผู้ผลิตเบียแทบทุกลายในประเทศล้วนเป็นสมาชิกของสมาคม สมาคมผู้ผลิตเบียร์เบลเยียมทำหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ทั่วไปของผู้ผลิตเบียร์านแง่เศรษฐกิจสังคมและจริยธรรม คุณเกเกอรฟูเดทนายความชาวเบลเยียมนิยมดื่มเบียร์นะครับหลังจากเลิกงานเขากล่าวว่าการดื่มเบียร์คือสิ่งที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมและปรัติศาสตร์ของประเทศมาอย่างช้านานและชาวเบลเยียมทุกคนรู้ดีว่าเบียร์ที่นี่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อพูดถึงเบลเยียมชาวต่างชาติจะเึื่งถึงเบียร์และช็อกโกแลตเป็นอันดับแรกและเชื่อว่าหากได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะเป็นการอนุรักษ์กระบวนการผลิตเบียร์แบบดั้งเดิมอีกด้วย องค์การยูเนสโกครับได้จัดทำรายชื่อมรุลรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี่นะับรวมไปถึงกิจกรรมพิธีกรรมและแบบแผนการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งจะต้องมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นและมีความเกี่ยวข้องกันในแง่ของความมีอัตลักษณ์ที่ดีงามโดยที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกครับที่จัดขึ้นที่กรุงแอเดสอาบาบาของเอธิโอเปียจะบริเณาว่าวัฒนธรรมต่างๆเช่นการผลิตเบียร์การเล่นโยคะของอินเดียและวัฒนธรรมหุ่นกระบอกของเช็กและสโลวัคจกเข้าขายนะครับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือไม่หากได้รับการพริจารณาแล้วนะครับวัฒนธรรมการดื่มเบียร์และผลิตภัณฑ์จากเบียร์ของเบลเยียมนะครับจะมี ะเทียบเท่านะครับกับการเต้นระบำฟรามมโกของสเปนเทศกาลเรือมังกรในจีนและ ว, วั็ธรรมการดื่มกาแฟของชาวอาหรับครับก่อนหน้านี้ยูนิโก้นะครับเคยขึ้นทะเบียนวัฒนธรรม12ประเภทของเบลเยียมให้อยู่ในบัญชีของบรลกโลกแล้วเช่นาการทตก่กุ้งบนหลังมา้าและเทศกาลคาร์นิวัลที่เมืองอาส์นะครับ หากได้รับการย่ทะเบียนแล้วรัฐบาลของประเทศนั้นก็จะมีหน้าที่ในการปกป้องและก็คุ้มครองวัตถุธรรมดังกล่าวแลในบางกรณีรัฐบาลของประเทศต่างๆสามารถยื่นขอความช่วยเหลือในด้านของการเงินด้วยครับหวังว่าเราคงจะได้ยินข่าวดีนะครับจากเบลเยีเยมในเรื่องของการจดทะเบียนการดื่มเบียร์และผลิตภัณฑ์เบียร์เป็นมรดกโลกกันนะครับ หวังว่านะครับในจุดนี้นะครับคงจะต้องถูกใจหลายๆคนที่ชอบการดื่มเบียร์อย่างแน่นอนพอเราชอบมาทําการดื่มเบียร์แล้วอยากไปเบลเยียมแล้วเดี๋ยวเรานะครับมาเตรียมตัวกันดีกว่าว่าไปเที่ยวเบลเยียมนั้นจะต้องจัดเตรียมอะไรกันบ้างครับสําหรับเบลเยียมแล้วนะครับจะมีทั้งหมด4เรดูการด้วยกันซึ่งสภาพภูมิอากาศของเบลเยียมไม่ได้สนาเหมือนทางยุโรปตอนเหนือครับคือเป็นแบบชายฝั่งทะเลจะค่อยๆอบอุ่นและชุ่มชื้นนะครับซึ่งร้อนนะครับอยู่ในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม ฤดูใบไม้ร่วงนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนฤดู ห, หนาวตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนฤดูใบไม้ผลินะครับถึงเดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมครับโดยมีอุณหภูมิครับฉเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 5-30 องศาเซลเซียสส่วนทางตอนใต้ของประเทศจะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-39 องศาเซลเซียสและมีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีหากต้องการเดินทางไปเที่ยวในเบลเยียมด้วดูการใดอย่าลืมเตรียมนะครับเสื้อผ้าและอุปกรณ์ไปให้เหมาะสมกับสภาพอากาศประเทศ น, า น, า น, นั้นๆด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในเรื่องของเวลาของประเทศเบลเยียมแล้วในช่วงดูร้อนเวลาที่เบลเยียมจะช้ากว่าประเทศไทย หชั่วโมงครับส่วนในูหนาวนะครับเวลาที่นั่นก็จะช้ากว่าบ้านเรา6ชั่วโมงครับถ้าท่านจะเดินทางไปเที่ยวดูใดก็ลืมเปลี่ยนเวลาตามฤ ด, ดูกาลด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของระบบโทรศรัพท์รหัสโทรศรัพท์ของประเทศเบลเยียมขึ้นต้นด้วยบวกสาที่นั่นจะมีโทรศรัพท์ทางไกลสาธร า, าธรณะทั้งแบบจอเรียนแบบการ์ดโฟนสําหรับแบบการ์ดโฟนท่านสามารถนะครับหาซื้อได้ทั่วไปหรืออีกหนึ่งวิธีการเปิดลอมิงจากเมืองไทยนั่นเองครับแต่ก็ต้องแจ้งทางเครือข่ายก่อนนะครับเพราะว่าการเปิดลอมิงนั้นก็มีอ่าเรดในการ ค่อยงที่จะสูงพอสมควรเหมือนกันเรื่องการเงินและการใช้บัตรเครดิตบเบลเยียมใช้ส ก, กุลเงินยูโรครับโดย1ยูโรมีค่าประมาณ50บบาทไทยชนิดของธน บ, บัตรมีต่้าสิบ่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยและ500ร้อยูโรครับส่วนชนิดของเหรียญประกอบด้วย 1, 2, 5, 10, 20, 50เซนหนึ่งยูโรและ2องยูโรครับนอกจากนี้บัตรเครดิตที่ท่านสามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยในประเทศเ บ, เบลเยียมได้แก่มาจูาการ์ดวิซ่าคาร์สเมริการ์ดเอ็ s ซ ครับเป็นนต้นสําหรับในเรื่องของระบบกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสําหรับระบบไฟฟ้าที่ประเทศแห่งนี้แล้วใช้กระแสไฟฟ้าแบบ230โวลต์เหมือนในประเทศไทยครับซึ่งนะครับปลั๊กไฟที่เบลเยียมก็จะเป็นแบบทรงกลมแต่ของไทยจะเป็นแบบแบนถ้าหากท่านผู้ฟังเดินทางไปจะต้องนําอุปกรณ์ในการไปแปรสัญญาณตัวนี้ออกมาเป็นระบบแบนเหมือนบ้านเราด้วยนะครับหรือนะครับก็จะสามารถขอจากทางโรงแรมในเบลเยียมที่ท่านสามารถเข้าไปพักได้เช่นเดียวกันครับสำหรับอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเบลเยียมนะครับก็คือมัน ฝรั่งทอดซึ่งเป็นต้นตำรับนะครับที่อยู่ที่เบลเยียมนี่เองนะครับจานต่อมาที่จะแนะนําก็คือหอยแรงผู้อบครับทานกับมันฝรั่งทอดรสชาติอร่อยสุดยอดไปเลยครับส่วนราคาของอาหารจานนี้ตามร้านทั่วไปหรือพัตคารภายในที่พักของเบลเยียมของก็จะอยู่ที่ประมาณ20ยูโรคิดเป็นไทยก็ประมาณ 1,000 งับาทครับและถ้าหากท่านผู้ฟังเดินทางมาในช่วงฤดูหนาวครับที่เบลเยียมครับมีอาหารจานพิเศษนะครับที่จะ ทานในช่วงขอฤดูหนาวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นนะครับให้กับร่างกายนะครับก็มาถึงก็อาจจะทานเลยแล้วก็คู่กับเบียร์นะครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงของที่นี่นั่นเองครับถ้าหากเดินทางกลับมาที่นี่แล้วอย่าลืมที่จะทานในเรื่องของช็อกโกแลตด้วยนะครับนอกจากที่จะทานเบียร์นะครับเพราะว่าก็เป็นช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับกการและข้อพี่โบนะครับหมดเวลาลงบนที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากบริษัทมีชวีทัวร์จำกัดและก็ m t ็มไเพื่อเฟ์ข้อมูลในครั้งนี้สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะเดินทางไปไหนนั้นให้ผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับสุดสัปดาห์นี้ออกการและพี่โบลาไก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ